ทีมไหนมาก่อนทิมนี้เน่ะเอามาก่อนส่งกันบ้านก่อนอคุณอะพี่ชาติเหรอาจารย์ <c oughs> เป็นไงทองนาเา <c oughs> มันจะห่างออกไปเรือเรอยเมื่อหวานอาร์ก็เล่า ก็เดินเดินอยู่นะเห็นความคิดเนี่ยมันไหลมันไปอยู่ข้างนอกความคิดไปอยู่ข้างนอกห่างไปสักวาหนึ่งอะไรอ่งี้แล้วก็เห็นความเป็นตัวตนน่ะนะมันไปอยู่ที่ความคิดในใจมันไม่มีตัวมีตนอะไรความเป็นตัวตนมันเกิดจากความคิดล้วนๆเลยนี่ฝึกไปแล้วมันจะเหมือนห่างไปห่างฝึกไปเรื่อยๆเหมือนห่างคนละยศเลย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 รู้สึกไหมไห ม, มันมัวหน่อยหนึ่งยังมัวใจยังไม่ตั้งมัน่นรู้สึกไห ม, ไมคือมันเป็นทีลักษณะทีลักษณะคือไม่ไม่ใช่ว่าเสียหายนะ <c oughs> ดูสภาวะให้ออกสภาวะออกเราทํำของเราสบายกาปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกคอยรู้กายรู้ใจรู้ขันห้าไปจะเห็นว่าแต่ละขันแต่ละขันเขาทําหน้าที่ของเขาไป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 คุณสุวรรณีว่าไงอืมอืมอืม เจแล้วดีแล้วดีแล้วค่อยทำไปนะแต่เราฝึกไปจนเราไม่บังคับเพื่อวิชาติอย่าไปทําอะไรมันนะอย่าไปทำมันเสียเสียหมดดีอยู่แล้วนะจะมาเพียงแค่แห้พาให้ดูว่าจิตมันยังมีโมหะเจออยู่นิดนึงเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรื่องต้องไปแก้ไขนะอย่าไปทอะไรเดี๋ยวเสียหมดนะกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะทําอะไรเราไม่ได้ทําหรอก แต่จิตเขาไปทำอะไรนะเราคอยตามรู้ไปเรื่อยเนี่เราไม่ได้ทำัวเองอ่ะคุณนี่ล่ะมาดิ่มเดียวกันมาอื ม, อมเออนี่นแหละมันรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นงั้นแหละนั่นแหละเกิดทีลัขษาะเดียว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 นี่ถ้ายัางละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราไม่ได้เราจะเห็นว่าขันห้าบางอันเป็นเราบางอันไม่ใช่เราสัตกยทิฏฐิยังไม่ขาดขาดไม่หมดน่ะแต่ถ้าเราเฝ้ารู้ลงไปให้ถึงจิตถึงใจเนี่ยึท่านถึงบอกว่าครูบาอาจารย์ไหลองค์เลยบอกว่าการดูจิตเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเลยถ้าเมื่อไร่เห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยสิ่งอื่นไม่เป็นเราล้วจะขาดหมดเลยทีเดียว หลวงพ่เตียนท่านก็บอกว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รับสั้นที่สุดหลวงปู่ดูลก็บอกหลายองค์บอกนั้นงั่นก็เห็นถูกแล้วนะเห็นถูกแล้วรู้ไปเรื่อยๆมากับใครอีกทีมคุณพิชิชาติอ้าว่ามาเดี๋ยวไล่แล้วจบกีลาทีบกลับบ้านได้รู้บ่อยๆนะรู้เร่อยๆดีแล้วนีนะ ใจลอยแล้วรู้ไหมที่ว่ารู้ตัวไปเรื่อยๆไม่ให้ลอยไม่ได้นะรู้ตามความเป็นจริงที่เห็นว่าเราบังคับเราไม่ได้ตรงนี้ต้องแม่นหลักของการปฏิบัตินี่ไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับใจให้มันดีให้มันสุขถาวรคำว่าถาวรไม่มีคำว่าบังคับได้ไม่มีถาวรเนี่ยฝืนกับคาว่าอนิจจังบังคับได้ฝืนกับคว า, บาคบบคว่านาตา ยังไม่ได้ฝึกให้จิต ด, ดีถาวรให้สุขถาวรแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงเพราะมันไม่ถาวรหรอกบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราฝึกให้เห็นตรงนี้เป็นหนีไปคิดดูออกไหมมันฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดคนอื่นด้วยนะรู้สึกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังไปคิดไปดูออกไหมคิดเดียวกับฟังอีกดูออกไหมกอสังเกตนะจนเรารู้เท่าทัน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 เราจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานะเช่นเรานั่งนั่งให้สบายนั่งไปถ้าภ้าก็เมื่อยล้ขยับปรีนิรยบทแก้แก้ทุกข์นั่นเองนะนั่งไปนานๆก็ขยับเพราะมันทุกข์นะยืนนานๆมันก็ทุกข์นะเดินนานๆมันก็ทุกข์นะนอนนานๆก็ทุกข์นะเวลานอนสังเกตไม่นอนกลางคืนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนนอนทาอะไรทาไมต้องพลิกไปพลิกมา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 กระทั่งเข้าฌานสมาบัตินะอยู่ในฌานมีความสุขนานไปก็ทุกข์นะก็ต้องออกมาข้างนอกทนอยู่ไม่ได้ในภาวะาแดนหนึ่งเงัอนกายนี้ใจนี้เลยมีแต่ตัวทุกข์ระเหตุความจริงนี้ไม่ใช่ตัวเราคนที่เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเนี่แหละเรียกว่าพระโตดาบนคนที่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เขาเรียกว่าพระอรหรันตะ์เมื่อวานมีคนหนึ่งพยายามมาถามหลวงพ่อ เพื่อนฝากมาถามตัวเองถามนั่นแหละอ้างเพื่อนนะ <c oughs> บอกหลวงพ่อ <c oughs> เพื่อนปากหลงพ่อจะได้ไม่ด่าเพื่อนฝากมาถามาว่าถ้าเขาบรรลุพระอรหันต์แล้วเขาต้องตายในเจ็ดวันไหมเขาไม่บวช <c oughs> โอ้ยสนใจอะไรพระอรหันต์พระโสดายังไม่เป็นเลยนะพระอรหรนันต์เจะไม่มานั่งคิดหรอกว่าจะตายไม่ตาย ไอ้ที่คิดว่าตายไม่ตายนั้นมันปุถุชนคิดจะมาอ้างค่าลหาันคิดเลยนะเพราะฆ่าลหันนั้นไม่มีกายกับใจมันไม่ใช่ของเราทิ้งไปแล้วไม่มีนันจะมาทำาระแบงขามนะฆ่าลหันจะตายไหยฆ่าอาหันยังไม่มีเลยรูปนามไม่ใช่ตัวเรารูปนามเกิดดับไปตามธรรมชาติของมันยังจะหวงไหม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 ไปหาหลวงปู่ ด, ดูนะว้ยมันไปถามท่านผมอยากปฏิบัติทําไงดีสอนสอนหลับตาไปชั่วโมงงี้เราก็เกิดสับตะไสรึนะไปหาท่านในเช้าหรอกแต่ว่าท่านฉันอยู่ใกล้จะเสร็จนะแปดโมงกว่าละรถไฟจะออกจากกุรินานสะิบโมงกลับกรุงเทพแปดโมงเข้าไปหาท่านถามท่านท่านหลับตาอยู่ชั่วโมง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 จะ ท, ทำเอาไม่มีนะมันนั่งโอโลปฏิโลมลูกฝึกอยู่นา น, านๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีหรอกในครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะสอนอเข้มข้นมากวิธีสอนก็แปลกๆนะไม่มานั่งเทศยาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เทศเทศปังก็ไม่ยอมปฏิบัตินะนเฉียแล้วเสียอีกนะทำไมเป็นใจเสาะนะการ น, นี้จะเรียนต้องเรียนเอาเองนะ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 ัรรู้ไม่บรรลุอยู่ที่ใจของเรานะมันโง่หรือมันฉลาดล่ะถ้ามันฉลาดมันฉลาดไม่ใช่ฉลาดอย่างโลกโลกนะฉลาดก็คือมันยอมรับความจริงไหมคนฉลาดในทางศาสนาพูดนนะก็คือคนที่เข้าใจความจรงิงยอมรับความเป็นจรงิงไม่ใช่ฝืนความเป็นจรงิงฝืนตามกิเลสไปเรื่อยๆอยความจริงก็คือกายกัะใจไม่ใช่ตัวเราฝืนความจริงก็คืออยากให้มันเป็นตัวเรา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 ไม่ใช่ลงมาต่ําแต่ทางขึ้นภูเขามีรอบทิศทางเนี่ยทางเดินเฉพาะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียนแบบกันไม่ได้เะนนพระพุทธเจ้าเลยสอนธรรมะไว้เยอะแยะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เพราคนมันเยอะจิตนิสัยต่างกันบางคนต้องรู้กายบางคนต้องรู้เวทนาบางคนต้องรู้จิตบางคนรู้ธรรม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 หนีไปเกือบทั้งห้องเลยนะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนหลวงพ่อเลยเอาล่ะต่างคนต่างไป